ก, การค่ะหลวงตาชื่อเนอยค่ะมันเป็นยังไงอ่ะปัตเป็นยังไงก็อ่าตอนนี้ก็คือก็จะมีแบบนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมแล้วก็เพิ่งเริ่มทําในรูปแบบได้ชัดประมาณเกือบเกือบปีค่ะก็ะจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองบ้างแล้วก็จะเริ่มเริ่มเห็นความเป็นตัวตนที่ชัดเจนมากขึ้นในตัวเองว่าแบบว่าแบบเ ว, าบบ ว, าวลามีอะไรกระทบอะไรเงี้ยเราก็จะ เหมือนกับตั้งกำแพงกั้นหรือแบบโมโหใส่คนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือเหมือนกับมองว่ามันคือมันเกิดมันเกิดขึ้นมาเนื่องจากพอเราเห็นหรือว่าเราได้ยินอะไรเงี้ยก็มันไม่พอใจแหละแต่ว่าพยายามที่จะไม่ไม่ไปใส่ใจมันก็คือก็เหมือนกับก็คือปล่อยไปก็มองว่ามันคือมันทำงานของมันเองมันเกิดจากไม่รู้ว่าในชาติไหนหรืออะไรไม่รู้คือสิ่งที่อยู่ในร่างกายเนี้ย มันทํางานของมันเองแล้วเราเราบังคับมันไม่ได้หลวงตามีอะไรแนะนําเพิ่มไหมค่ะไม่มีชาติไหนละแต่าตินี้นะครับมาเกิดในชาาย์เนี้มันก็เลยทํางานได้กันหน้าแต่ความหลงยึดมันติดที่จิตเดิมแท้หรือวิญญาณวิญญาณปฏิสติวิวิญญาณที่มาเกิดกว่าความโง่ความหลงยึดเนี่ยพอมาเกิดปุ๊บมันก็ยึดเอาไว้รูปร่างใหม่เนี่ยเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราแล้วมันก้าวตัวเราไปไม่พอใจคนนั้นไม่พอใจคนนั้นไม่พอใจสิ่งนั้นทิ่งนี้ หรือว่าตัวเราก็าไปพอใจสิ่งนู้สิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ความจริงไอ้ขาน่ามันมันไม่รู้สึกเลยว่ามีตัวเราอะแต่ไอ้ไอ้ปฏิสุทธิวิญญาณไอ้วิญญาณที่ลอยมาผสมนั่นแหละมันมีเอาวิชาคือความโง่พอมันเกิดมาลุบล่างอะไรแต่ละชาติมันก็ยึดเอาไว้ตัวนั้นแหละเปตัวเราตัวเราแล้วเอาตัวเราไปยึดทั่วไหมดเลยแต่ละพันแต่ขนาน้าที่มันมาผสมเสร็จมันไม่มีตัวเราหรอกมันไม่รู้สึกมีตัวเราแล้วมันก็ยึดไม่ได้ยึดอะไรไม่ได้ไม่ได้แต่ทำงานคือมีความรู้สึกนึกค แต่เขาเน่ยยึดไม่เป็นขันห้าเขายึดอะไรไม่ได้เขามีแต่ชีวิตที่ดําเนินไปตามปกติพูดคุยการสื่อสารกันเกิดมาคือเป็นสิ่งที่มีชีวิตปกติธรรมดาแต่เขาเนี่ยยึดขันห้าละพังขันหน้ายึดอะไรไม่ได้เขาไม่ยึดอะไรได้หรอกไม่รักไม่ชังได้แต่ถ้ามีตัวเราก็ไปรักไปชังเนี่ยคือมันมีอวิชชาคือความโง่ติดมากับไปวิ ญ, ญญาณที่ที่มันลอยเข้ามาผสมกับธาตุดินน้าลมไฟแล้ตัวเนี้ยมันก็เอาไปยึดเอาอขันหน้าเป็นตัวเรา แล้วก็เอาไอ้ขันหน้าเนี่ยไปยึดไปรักไปชังทั้งรักตัวเราด้วยไมอยากให้ตัวเราแก่เจ็บตายเราไปรักคนอื่นถ้าเราพามาแต่ขนันห้าปุ๊บก็จะไม่มีความรักความชังมีแต่อาการมีแต่อาการอาการของขนันนะความรักความชังหมดไปนะดเจ้าก็มีขนันหน้าแต่สิ้นผู้จิตบ้านถือบ้านเจเบลุ้งเป็นบุตรเจ้าอลาลัยน์ก็มีมขนันหน้าสิ้นยึยดบ้านยถือบ้านสิ้นความหลงยึดถือว่าขันห้าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราแล้วก็ไม่หลงเอาตัวเราเนี่ยไปยึดอะไร พระพุทธเจ้าพระหลานทั้งหลายก็สิ้นยึดกับบรรลุอรหันต์ไว้หมดขันห้าก็คงมีอยู่ตามปกติขันห้าจึงไม่ใช่เป็นกิเลสขันห้าจึงไม่ใช่นิพพานมีกิเลส <c oughs> มีกิเลสได้ไปยึดได้ก็เพระเาะว่าไอ้ตัวอวิชชาคุณความโง่งความหยึดบ้างแต่ว่าที่มันติดกับวิญญาณที่มาประสมพันธ์นั่นที่ผสมกับธาตุนิ่น้ํามลมไฟแล้วมันก็เลยเอาความโง่ไปยึดขันห้าไอ้หลางการจิตใจที่มีชีวิตขึ้นมาว่าเป็นตัวเป็นตเ น, ตนเป็นตัวเราเป็นตัวเรามีตัวเราแล้วเอาตัวเราไปยึดอะไรอื่นวลิบ ต้องดับความโง่ที่เราปฏิบัติทั้งหมดก็เพื่อมาดับเนี่ยให้มีปัญญารู้แจ้งขึ้นมาว่ามันเป็นแก้ดับความโง่ให้เปลี่ยนจากความโง่เป็นความฉลาดขึ้นมาเปลี่ยนจากอาวิชชาเป็นวิชชาขึ้นมาแค่นั้นแหละไม่ใช่ว่ามีตัวเราไปถึงอะไรหรอกมีตัวเราจะไปได้อะไรแล้วมีตัวเราไม่ได้อะไรหรอกอย่างนี้ก็เครียด ต, ตายปฏิบัติแล้วจะไปเอารุ่นเอานี่เครียดตายปฏิบัติจะไม่เอารุ่นไม่เอานี่ก็เครียดตายดับความโง่เราอย่างเดียวพระเจ้ษษาพันทั้งหลายดับแค่ความโง่ดับอวิชชา ขันห้าไม่ได้เป็นกิเลสขันห้าไม่ได้เป็นนิพพานไอ้วิญญาณที่มาผสมเนี่ยกับสเปิร์มของพ่อกับไข่ของแม่เนี่ยพ่อกับแม่ประสมพันธุ์กันแล้วกสว็สเปิร์มของพ่อก็เข้าไปในไข่ของแม่ซึ่เป็นธาตุน้ำสเปิร์มเป็นธาตุดินไข่ของแม่เป็นธาตุน้ําแม่ก็หายใจเอาธาตุลมธาตุไฟเข้าไปแล้วก็กินสาบ พ, พืชสาบสัตว์เนี่ยกินเข้าไปเนี่ยเราประชาเราก็กินกินสาบพืชสาบสัตว์กินน้ากินสาบพืชสาบสัตว์เข้าไปในร่างกายเนี่ยไอ้ตัวนี้ไม่ได้เป็นกิเลสมันไม่ได้เป็นนิพาน วิญญาณที่มาผสมก็ไ yeah, ม่เป็นกิเลสไเป็นนิพพานถ้าวิญญาณเนี่ยมันเป็นนิพพานวิญญาณไม่มาผสมได้หรอกพัไม่มาผสมแล้ววิญญาณก็ไม่ได้เป็นกิเลสวิญญาณก็ไม่ได้เป็นนิพพานมันมีแต่ความโง่ที่ติดอยู่ในในในวิญญาณแล้วพอมาโผว่าปุ๊บเป็นร่างแต่ละร่างปุ๊บแต่ละชาติไปมันก็ยึดเอาเลยเนี่ยตัวกูตัวกูพอพุธออกมาเป็นสัตว์เป็นงูเลื้อยไปงูนี่ตัวกูตัวกูพอพุทธออกมาเป็นสตกนี่สติก็คือตัวกูตัวกู มันยึดเอาล่างใหม่ทุกชาติเป็นตัวกูตัวกูแล้วมันเลิมมันเลิมแล้วมันคือวิญ ญ, ญาณที่มามาเข้าผสมแล้ววิญญาณเนี่ยมันเป็นเพียงความว่างเป็นความรู้ที่ตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีรูปพั้นสันฐานไม่มีไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรไม่มีอาการ ใ, ใดๆไ ด, ด, ดมญญนะ้มีแต่ความรู้วิญญาณนั้มีแต่ความรู้วิญญาณไม่ได้แปลว่าผีเหมือนชาวบ้านที่แปลไปวิญญาณเนี่ยเป็นธาตุธาตุรู้ที่เป็นแต่ความว่าง เป็นความว่างตัวตนไม่มีไม่มีรูปร่างไม่มีรูปพันธสถาน์ใดๆไม่มีเส้าหมองไม่มีผ่องใสไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรเลยมีแต่รู้อย่างเดียวเพราะมันเป็นธาตุรู้ตัวตนไม่มีรูปพันธสถานไม่มีไม่มีดวงสว่างไม่มีมืดไม่มีผ่องใสไม่มีเศร้าหมองมีแต่รู <JO> <ras S 1> tandem, meet, way, ้อันเนี่ยแล้วก็มัาผสมกับสเปิร์มของพ่อกับไข่ของแม่แล้วก็สรากพืชสรากสัตว์แล้วก็หายใจเอาธาตุลมหายใจธาตุไฟเข้าไปแล้วก็แตกหนับไปอีก แต่ความรู้เนี่ยมันจะเป็นรู้หลงไปทุกชาติมันก็ไปยึดเอาไอ้ล่างใหม่อีกเป็นตัวเราไปยึดเอาไอ้ล่างที่หลอาออกมาเป็นงูวินพอเลือ้อยไปก็อันนี้กับตัวเราพไปยึดเอาเป็นออกมาเป็นสัตว์ปีกกสปีกก็ตัวเราไปเป็นนอนเป็นแมลงนี่ก็วันในตัวเราตัวเรามันยึดไปทุกชาติตัวที่มีบอกว่าเออเทวดามีเพื่อนปฏิบัติ ด, ดีจกนกระทั่งไปเกิดเป็นไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาบนสวรรค์มองเห็นเพื่อนเนี่ยไปเกิดเป็นหนอนในในส้วมไปเกิดเป็นนอนในส้วม เพื่อนก็นทุกข์านมากเลยก็บอกว่าเอ้ยมาเขีย่ยพยายามเขี่ยหนอนออกจากซ่วมแล้วก็บอกเองเอนี่ยจะไปอยู่ในเองไม่อยู่ในซ่วมเลยมาเนี่ยแล้วก็นำปฏิบัติตะมาพยายามสอนให้เข้าใจใเพื่อนเข้าใจจะได้ไปเกิดเป็นสวรรค์ด้วยกันไอ้เพื่อนที่เป็นหนอนก็บอกว่าเอ้ยบนสวรรค์สบายยังไงโอ้ยบนสวรรค์เนนะี่ยสบายมากเลยจะกินอะไรก็แค่น้ำมิดมาก็ได้เลยไอ้เพื่อนที่เป็นหนอนบอกว่าโอ้ เพื่อนยังลำบากมากต้องมานั่งในลามิดเราไม่ต้องเรนลมิตดเราอยู่ที่เนี่เดี๋ยวคนก็เอามาให้เราเนี่ยทุกวันเลยเราสบายกว่าเราไม่เอาเราสบายกับเพื่อนอีกความโง่มันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกชาติไปเนี่ยขนาดมันไปกิเป็นหนอนในเสื้อมันยังบอกว่ามันน่าสบายกว่าไอ้คนที่เป็นเทวดาที่ต้องยังต้องเหนื่อย ใ, ในลมิดมันไม่เอาเนี่ยความยึดอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างงี้ทุกชาติเราไม่เข้าใจสักทีในชาติใดชาติหนึ่งไม่เข้าใจสักทีว่าเอ้ยเราไม่มีตัวตนหรอกมันไม่ต้มีแต่เป็นธาตุรู้ที่เป็นความบ ผสมกับไอ้สเปิร์มของพ่อไข่ของแม่ผสมขเข้าแล้วก็มีกินสาปือสาปสาัตว์เนี่ยเรากินเนี่ยเด็กไปเน่าในเต็มในท้องเนี่ยเราไปถ่ายออกกินน้ำเข้าไปเด็กไปปัสสาวะออกแล้วกินลมกินอากาศเข้าไปความร้อนนี่ก็ผสมกันเสร็จแล้วก็หลงเอาไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวราพอตัวเราพอหมอพอแมเ่เลง็งระยะสุดท้ายจะตายก็ร้องห่มร้องไห้สติแตกเป็นบ้าก็มีเพราะอะมันไปยึดเอาไอ้ล่างใหม่เนี้ยทุกล่างไปยึดกันทุกล่างไปเนี่ย อมันมันยึดไม่ว่าอยู่ในร่างแรมยึดหมดไม่ว่าร่างสัตว์ใดเนี่ยมันยึดหมดไปเกิดเป็นนอนเราก็เคยเกิดมาทั้งกันแน่เออเป็นนอนเป็นสัตว์ไปทั้งหมดอ่ะเคยเกิดมาทั้งกันแน่เราก็เกิดมาสารพัดทุกอย่างในโลกเนี่ยเพราะฉะเนี่ยมันก็ยึดเอาผิดตัวเนี่ยมันก็เลยมันก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดไปจากถ่ายจากร่างนี้ไปร่างน้นถ่ายจากร่างน้นไปร่างนี้แต่เราไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่เคยแตกไม่เคยทําลายไม่มีอาวุธในโลกฆ่าฆ่าจิตดั้งเดิมแท้ๆหรือวิญญาณที่มาผสมได้ เพราะมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอาวุธใดในโลกมาฆ่ามันได้นิพานก็ฆ่าไม่ตายมันมีแต่ความรู้เมื่อไหร่เราจะเข้าถึงความรู้ตัวเสีใจหรือจิตเดิมแท้มีแต่ความรู้เมื่อไหร่เราเหลือแต่ความรู้ความรู้ที่ไม่มีอาการเนี่ยความรู้ที่เคลื่อนที่ไม่ได้นั่นแหละเมื่อไหร่เราเข้าถึงความรู้ที่เคลื่อนที่ไม่ได้มีแต่จิตเคลื่อนที่ปรุงแต่งแต่ความรู้เคลื่อนที่ไม่ได้ตอนนี้เราเยึดเรามีตัวเราเลยเอาตัวเราไม่พอใจคนนั้นไม่พอใจคนนี้ไม่พอใจสิ่งนั้นไม่พอใจสิ่งนี้ แล้วก็มีตัวเราจะไปเอาสิ่งนี้ไปเอาสิ่งที่เราพอใจเอาอารมณ์ที่พอใจเอาจิตที่ดีจิตไม่ดีไม่เอามันเลยมันมีตัวเราตัวเราตัวเราจะเอาไว้นี่ไม่เอาไว้นี่จะเอาไว้นี่ไม่เอาไว้นี่โอ้ยนี่มันปฏิบัติในความกิเลสแต่กันไม่ได้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นกิเลสที่พ่อแม่ครูาอาจารย์นะพุทธาเจริญธรรมโมเนี่ยที่ทำเป็นพระหลานเนี่ยมันบอกว่าจิตเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นจิตเป็นงั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ไอ้นี่มันเป็นกิเลสปฏิบัติตรงข้ามพันนิพพานตรงข้ามเลยนะไม่ใช่ปะ ไปเฉียดเียดกันนะนี่มันตรงข้ามเลยปฏิบัติเราต้องบอกว่ามันโอ้มันหลงเนี่ยปฏิบัติหลงมันปฏิบัติมีตัวเราจะไปเอาเขาปฏิบัติให้เห็นว่าตัวเราไม่มีเราจิตเป็นจิตเดิมแท้ที่ตัวตนไม่มีไม่มีรูปร่างไม่มีรูปพันณสถานใดๆเลยไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่เคยแตกไม่เคยทําลายแต่มันมีแต่ความโง่อะไรที่ยังติดอยู่ที่ยังไม่หายโง่สักทีแล้วพอได้ไปเกิดใหม่ก็ต้องยึดไอ้ร่างใหม่แล้วก็ไปร้องโอบร้องให้ เอาไปเกิดใหม่หรือยึดไอ้ร่างใหม่แล้วก็ไปยึดผัวตัวใหม่เมียตัวใหม่ลูกตัวใหม่ยึดพ่อแม่ตัวใหม่ยึดพี่น้องตัวใหม่ยึดสมบัติมาตรฐานอะไรใหม่มันทุกทุกทุกอยู่นั่นแหละแต่ไม่เข้าใจตรงนี้ทุกทีเมื่อไหร่ชาติใดชาติหนึ่งมันเข้าใจตรงนี้ปุ๊บมีคนก็บอกมันก็ละไปเหลือแต่ความเหลือแต่ความรู้ที่เป็นความว่างเปล่าพันติกะว่าผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงพันธิพานใจหรือจิตเดิมแท้ๆของเราจะแท้นั่นแหละนั่นแหละจึงพบใจพบธรรมถึงใจ ถึงวันอภิภานเข้าใจไหมลนะ่ะพอจะพอจะเข้าใจก็ต้องไปฟังเพิ่มอ่คะค่ะเพราะนั่นก็คือคนจะเป็นเน้นเรื่องตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือมันไม่มีมันไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจก็ปฏิบัติผิดๆถูกๆทำไมอ่ะอาริยมรตมีองค์แปดอริยมรตทำไมพุทธเจ้าขึ้นปัญญาสัมมาทิฏฐิก่อนนะถ้ามันทําไมไม่ขึ้นข้ออื่นก่อนนะเวลาไม่ไม่นั่ไม่สอนนั่งสงมาธิหลับตาก่อนนะพุทธเจ้าทําไมไม่ สมาธิไปอยู่ข้อแปดอะอาริยมร์มีองแปดอะ่ะทางแห่งมรรคผลนิพพานเนี่ยมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นทางอื่นนอกจากนี้ไม่มีอริยมร์มีองแปดเนี่ยแล้วอาริยมร์มีองแปดทำไไปขึาา้นสมาธิอยู่ข้อแปดอะขึ้นปัญญาสมาธิตีอะข้อแรกวันทำไ ม, ามาไม่อยู่ๆเราไปสอนให้นั่งสมาธิหลับตาไปเลยล่ะโอยต่อย ห, หลับตาให้ตายทำไมาไม่สอนให้มีสติไปเลยล่ะสติมันอยู่ข้อเจ็ดสมาธิอยู่ข้อแปด ตอลแล้วทำไมไ ม, ไม่ไม่สอนใหน้คิดชอบพูดชอบทําชอบไอ้มันก็อยู่ข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าเพียรให้ตายเเพียรทำไมไม่สอนมีความเพียรเยอะเลยเพียรให้ตายแต่เพียรไม่มีปัญญาจะไปยังไงเพียรงโง่งทเขรียกว่าเพียรโงง่งมันก็ไปไม่ไงอ่ะเอยมันต้องมีปัญญาสัมมาทิฏฐิก่อนข้อแรกให้รู้ว่าพระเจ้าสอนอะไรและนี่ก็คือสอนธรรมชาติแท้ๆนี่แหละที่เป็นธรรมชาติร่างกายจิตใจของเราตัวเรานี่ยแหละมันมายังไงเราคือใครในตัวเนี้ย ในตัวเนี้ยที่นั่งอยู่เนี้ยมันคือใครเราคือใครใครคือเราเนี่ยก่อนมาเกิดเนี้ยใครคือเราก่อนที่มาเกิดเป็นในตัวเนี้ยใครคือเราเรามาเป็นในตัวนี้เราเนี่ยเราคือใครไอตัวเนี้ยเนี่ยมันคือใครเนี่ยหรือว่านี่คือทั้งตัวเนี้ยทั้งตัวเนี่ยคือเราหรือว่าเราคือใครแล้วก่อนมาเกิดเราคือใครก่อนมาเป็นในตัวเนี้ยเราคือใครแล้วมาเกิดเราใครคือเราอยู่ในเนี้ยใครคือเราที่อยู่ในตัวนี้เราไม่เข้าใจเพราะอะไรเราไม่รู้จักตัวเรา เราไม่รู้จักตัวเรานี่เนี่ยมันจึงเป็นอวิชชาเราเลยละความหลงยึดบ้านถือบ้านไม่ได้เราเลยยึดปิดตัวเราเลยยึดปิดตัวเราเลยเข้าถึงตัวจริงไม่ได้สักทียึดปิดตัวเรื่อยไปนี่แนนเรายึดปิดตัวเรื่อยไปเขาเรียกว่าอวิชชาเราไม่รู้ต้นไม่รู้กลางไม่รู้ปลายไม่รู้ที่มาไม่รู้ที่ปัจจุบันว่าเป็นเป็นอย่างไรแล้วไม่รู้ที่ไปเราไม่รู้ทั้งต้นไม่รู้ทั้งกลางไม่รู้ทั้งปลาย ไม่รู้ว่าเราเป็นใครใครเป็นเราก่อนมาเกิดไม่รู้ใครเป็นเราก่อนมาเกิดนี่ใครเป็นเราก็แน่ก่อมาเกิดเราคือใครนก่อนมาเกิดเราก็ไม่รู้เรื่องเลยก่อนมาเกิดเราคือใครเราไปในตัวนี้นะก่อนมาเกิดไปใตัวนี้แล้วเราคือใครอะก่อนมาเกิดไปในตัวที่นั่งอยู่เนี่ยเนี่ยที่ท่านนั่งอยู่ทุกวันเนี่ยใครคือใครคือเรามันพิจาราให้ดีตัวเนี้ยจะได้ปัญญาเป็นปัญญาสมาธิ เดินปัญญาซะก่อนเขาใจปัญญาเสร็จแล้วก็ลงมือทาความเพียรมันจได้เพียรชอบถ้าปัญญามันชอบเห็นชอบแล้วต่อไปเนี่ยมันก็คิดชอบพูดชอบกระทาชอบประกอบอาชีพชอบคือเพียรชอบประกอบอาชีพคือะไรอาชีพอาชีพอะไรก็คืออาชีพปฏิบัติ ท, ทําให้มันพ้นทุกข์อาชีพอาชีพก็อาชีพชอบทั้งโลกก็ประกอบอาชีพทำให้มันสุจริต ท, ทั้งธรรมก็ เนีประกอบอาชีพชอบก็ผีเนี่ยประกอบอาชีพปฏิบัติทําให้มันพ้นทุกเนี่ยคืออาชีพอาชีพของผู้ปฏิบัติทําเพื่อความพ้นทุกแล้วก็เพียรอะไรกับเพียนปฏิบัติเขาเพี้ยนชอบมีสติชอบมีสมาธิชอบถ้าปัญญามันชอบอันเดียวชอบหมดเลยถ้าปัญญาไม่ชอบอันเดียวไม่ชอบหมดเห็นไหมอ่า